เอาวันนี้ขอแนะนำเป็นวันสุดท้าย <c oughs> พรุกนี้ก็ไปฟังทางนลวงพี่อาจิณกันแล้วกันนะ <c oughs> ในการแนะนำวันสุดท้าย <c oughs> ก็อยากจะบอกพวกเธอ ว, ว่า <c oughs> การฝึกมโนมายธิ <c oughs> ขอให้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติ เพราะเหตุอะไรริงเก่าอย่างนี้เพราะว่าประบาอาจารย์โดยเฉพาะพระเดชทุกคุณหลวงพ่อถ้ารู้จริงรู้ว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่มีบุญได้สร้างบุญในส่วนนี้เรื่องของอภิญญาสมาบัติมาในการก่อน รัตรรมฐานที่สามารถดึงจิตใจของผู้ที่เป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างเป็นพุทธ บ, บริษัทสามารถเข้าถึงความ้นทุกข์ได้โดยง่ายท่านก็นำสิ่งนั้นมาสอนพวกเราโดยเฉพาะองค์เสด็จพระพุทธิภะพากเจ้ายังทรงแนะนำคำสอนเพื่อยังประโยชน์ในการ เข้าถึงสภาวะคือใจเข้าถึงธรรมได้ง่ายงานปฏิบัติของเราเนี่ยฉันถือว่าเธอเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าคนไม่ได้มโนยิธิจะไม่สามารถทำความดีถึงนิพพานได้ดังนั้นวันนี้ก็ขอให้เธอตั้งใจฟังว่าการจะไปนิพพาน มันมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่มีความสำคัญคืออริยสัจเวลาฟังไปก็นึกถึงองค์เสดพระตมาสัมพุธเจ้าตั้งใจกำหนดจดจอ่ออยู่ที่ที่ใดก็ได้ที่เธอสามารถเคลื่อนกำลังใจไปที่พัะจุลมณีเจรีสถานหรือว่าจะไปที่พระนิพพาน ขอให้เธอสามารถพบองค์เสด็จพระพิชิตนมามารมมาศาสดาได้แล้วก็ตั้งใจฟังดูภาพตามเ ช, ชื่อว่าอริยสัจเป็นหนทางเข้าสิ่นิพพานเพราะอะไรอริยสัจหมายความว่าอย่าพ้อสันแปลไว้นะ เป็นความจริงหรือความจริงที่พระอริยะหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงความเป็นอริยะจำเป็นต้องรู้รือรู้ตามความเป็นจริงจริงจะสามารถเข้าถึงความเป็นอริยะหรือกล่าวง่ายๆว่าเป็นความจริงที่สามารถเข้าถึงนิพพานได้นั้นคำว่าอริยสัจจึงจัดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และก็ต้องนาไปปฏิบัติ ไม่ว่าเธอจะฝึกมโนยิธิกันได้หรือฝึกมโนยิธิไม่ได้อริยสัจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจะหากถามว่ามันยากไปไหมไม่ยากเพราะว่าเธอทำกันอยู่แล้วในอริยสัจ ท, ที่มีความสําคัญก็คือคำว่ารู้จักทุก คำว่ารู้จักทุกเนี่ยทุกปกติหรือนิพพตทุกทุกเนียงนิดเธอเข้าใจเพราะเธอฟังมามากเธอไม่อาจจะปฏิเสธสิ่งที่พระท่านพูดว่าทุกเกิดจากการเกิดบ้างทุกเกิดจากการแก่การเจ็บการตายทุกเกิดจากความพัดพลาดสิ่งที่รักของชอบใจ ทุกข์เพราะการเจ็บป่วยแค่ไม่สบายอย่างนี้ถือว่าเธอฟังมามากให้การฟังมากแต่ว่าทําใจไม่ยอมรับมันก็มีอยู่มากเพราะถ้าใครสามารถยอมรับเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์แตทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดมันยังมีทุกข์ที่ละเอียดไปกว่านี้อีกหมายความว่าทุกข์ได้ทุกน้อยทุกข์ที่สามารถ จะทำให้เธอนั้นเกิดความเศร้าหมองและก็ยังไม่ถึงนิพพานได้ยังมีอยู่อีกมากที่กล่าวว่าทุกเล็กทุกน้อยยังมีอีกมากที่ทำมาขัดขวางการเข้าถึงนิพพานเพราะอะไรเพราะคำว่าติดสุกำว่าติดสุตัวนี้แหละมันทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้ เกิดจากทางสมาบัติก็ถือว่าจิตสุขสุขจากการสแสวงหาบุญต้องการทาความดีคือบุญก็เอาบุญเป็นสำคัญก็ถือว่าจิตสุขสุขในการสแสวงหาความดียังที่กล่าวมายังถือว่าไม่สามารถสิ้นทุกได้เดี๋ยวว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราใช้มโนยิชิดูกัน เขาเปล่นก่อนนะนั้นคำว่าอริยสัยเจเธอจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติมโนมายิทิเพราะหากว่าใจของเธอไม่รู้จักทุกข์เหมือนอย่างที่ผู้แนะนำเขาแนะนำเมื่อตอนต้นหรือหลวงพ่อท่านพูดไว้ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ ความกังวลให้ว่างจากอารมณ์เศร้าหมองให้ว่างจากอารมณ์ที่ยังมีอุปาทานถ้าอารมณ์มันไม่ว่างจากสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงญาณเป็นเครื่องรู้มันก็ไม่ผุดเกิดในใจของเธอนั่นหมายความว่าชิพจุกุญาณก็ไม่เกิดเพราะชิพจุกุญา์ไม่ได้เกิดจากอำนาจสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่นั่งสมาธิมากชิพจุกุญาณจะเกิด ไม่ใช่แต่ทิฏกุยานจะเกิดก็เสมอสมาธิมันอยู่ในความสงบพอดีที่จะสามารถเปลี่ยงหรือปรัเปเรียความที่เราไม่เข้าใจในแกนสารความเป็นจริงที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าเราเกิดมาต้องประสบพบอะไรบ้างเราต้องทนทุกข์เพราะเรื่องอะไรบ้าง เราต้องมีการกระสับกระส่ายจิตใจไม่สามารถสงบพบความสุขโดยแพ้ได้เพราะเห็นอะไรบ้างครูบาอาจารย์ที่ไหนสำนักไหนท่านก็แนะนำตรงนี้เหมือนกันแนะนำให้เราทุกคนนั้นตั้งมั่นอยู่ในองค์สมาธิกำหนดสติพิจารณาตัวเองก่อน เธอก็เริ่มพิจารกกันเลยนะว่าการเจริญเมตตาไปทั่วจั ก, กรวาลหรือว่าการเจริญพมิหารสี่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทำให้จิตของเรานั้นเกิดปัญญาการเกิดปัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีความสงบเธอก็จงแผ่เมตตาไปทั่วจั ก, กรวาล ทั้งคนและสัตว์เวลาใช้ควาว่าแผ่เมตตาไปทั่วจั ก, กรวาลเพื่อให้คนและสัตว์มีความสุขเขาทำกันอย่างไร่จ้าจำไว้ว่ามีอยู่เพียงข้อเดียวที่เป็นหลักสำคัญทำให้เราสามารถเข้าถึงควาว่าพรหมวิหารสี่ครูบาอาจารย์สอมนมาอย่างนี้ว่าทุกคนรักสุข ประหยัดทุกข์ได้ลองพิจนารณาดูเอาซิว่าบางคนต้องทําความชั่วด้วยการฆ่าสัตว์เขาไมา่ได้ฆ่าสัตว์เพราะเขาต้องการความทุกข์บางคนต้องไปลักทรัพย์เขาไม่ต้องการไปลักทรัพย์เพื่อต้องการหาความทุกข์บางคนต้องไป พูดวาจากกหกพูดเท็จหลอกลวงชาวบ้านก็ไม่ใช่เขาทําเพื่อต้องการหาความทุกข์พูดอย่างนี้เธอเข้าใจไหมละ่ะก็ความจนบังคับเขาก็ต้องจําเป็นต้องฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารเพราะความเจ็บมันบังคับก็จําเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อทําลายศัตรูเพราะความรักลูก รักครอบครัวรักตัวเองบังคับจึงต้องทำลายฆ่าคนและก็ฆ่าสัตว์เพราะทุกคนหวังอย่างเดียวว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนต้องจินปล้อนหลอกลวงทำทุกอย่างเพื่อสแสวงหามาซึ่งประโยชน์ของตนเองก็เพื่อตนเองมีความสุข แล้วก็ยังถึงกับบุคคลที่เป็นที่รักถ้ามีพ่อมีแม่มีลูกก็ต้องถึงบุคคลเหล่านั้นด้วยเชื่อว่าความสุขไม่มีใครไม่ต้องการแล้วก็ไม่มีบุคคลใดเลยใกล้ที่ปรารถนาความทุกข์เขอมองดูสิมองดูยังคนในโลกทั้งหมดที่เขาได้รนกันนั่นลหละเขาได้รนเพื่ออะไรเพื่ออยากได้ทุกข์หรือ แม้แต่สัตว์จะเดชฉานมันก็ต้องการแสวงหาความสุขของมันแต่จะมีใครเล่าที่สามารถรู้จักทุกจนไม่อยากเข้าไปหามันละ่ะนี่เมื่อเขารู้ว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นทุกข์เขารู้ว่าการฆ่าสัตว์ทําลายชีลิตบุนคคลอื่นคือการที่ทําให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์ได้หรือบรรเทาทุกข์ได้เขาจึงต้องลงมือทํา แต่มันก็เป็นกรรมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่เขาต้องฆ่าตัดว์ฆ่าคนเอาของบุคคลอื่นมาเป็นของตนต้องใช้วาจาฟินฟ้อนโกหกมดเท็จก็เพื่ออะไรเขาทำเพื่อต้องการให้ตัวเองนั้นมีความสุขต้องการให้บุคคลทั้งหลายที่เป็นเี่รักได้รับความสุขถ้าจะดูเหมือนอย่างบุคคลเขากล่าวโทษว่า ผู้จะเป็นผู้นำประเทศบางประเทศเป็นบุคคลที่โหดร้ายทารุณน่าเกลียดน่ารังเกยียจอย่างใครอย่างท่านฮิตเลอร์คนทั้งโลกส่วนใหญ่ก็กล่าวขานว่าท่านเป็นคนโหดร้ายทารุณแต่ท่านทำไปด้วยการฆ่าคนทำลายทรัพย์สินทำลายความสุขของคนอื่นมากมายเพื่ออะไร ก็เพื่อความสุขของท่านแล้วก็ความสุขของคนของท่านเพื่อความปลอดภัย่อากของคนของท่านที่จะให้บุคคลอื่นนั้นมาทำลายถามว่ามันเป็นกรรมไหมมันก็เป็นกรรมมีใครบ้างเพื่อลองมองดูสิตั้งแต่พระราชาจนถึงขอทาน ตั้งแต่คนอยู่นอกคุกคนอยู่ในคุกตั้งแต่สัตว์ใหญ่จนถึงสัตว์เล็กตั้งแต่คนที่มีรูปสวยเสียงเพราะจนถึงคนรูปร่างไม่น่าสุดไม่น่ารักเสียงไม่เพราะจนบุคคลบางคนที่มีอวัยวะครบกับบางคนที่มีอวัยวะไม่ครบลองดูความรู้สึกของใจของคนเหล่านั้น ที่เกลียกราดอยู่ในโลกที่พูดว่าเขาต้องการความสุขจริงไหมเขาต้องการหนีทุกข์ใช่ไหมเธอรู้ตามความอย่างนี้แล้วเธอจะไปโกรธเคืองเขาไหมไม่มีใครหลอกเธอทั้งหลายลองพิจนารณาเอาเถิดไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีสัตว์ตัวใด ไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะใดจะต้องเป็นผู้ปกครองของใครจะอยู่ใต้การปกครองของใครล้วนแล้วจะวิ่งเข้าหาความสุขโดยส่วนตัวแล้วก็เพื่อบุคคลใกล้เคียงอันเป็นที่รักจะได้รับความสุขบ้างทำอะไรก็ได้เท่าที่ตนเองคิดว่านั่นมันยังไม่ใช่ความทุกข์ของตัวทั้งๆจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ แต่ภาระแต่ว่าหน้าที่ความเป็นมนุษย์มันไม่สามารถจิต ก, กันไม่ให้ไปแสวงหาทำความเร็วหรือทำความดีได้ทุกๆคนมีสิทธทิ์ที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อต้องการความสุขเข้าหาตัวจะคงไม่ปฏิเสธข้อนี้ และทุกคนก็ไม่รู้ว่าอ้ที่ทำนั่นแหละมันจะมีผลนในภายหลังอย่างไรถึงบางคนรู้ว่าทำอย่างนี้ฉันจะต้องเหลือร้อนฉันจะต้องถูกเขาจับเข้าคุกฉันจะต้องถูกคนประนามว่าเป็นคนชั่วคนเลวฉันจะต้องพัดราบจากคนที่สาระคือพ่อแม่พี่น้องแม้กระทั่งตั้งลูกฉันจะต้องทนทุกข์ทรมา เร่างกายมากมายอย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องทำอย่างนี้มีอยู่ไหมล่ะมีแั้นการเกิดบัณฑิตตรงไหนเพราะทุกคนวิ่งเข้าหาความสุขพยานได้ความอยากเพราะความสุขมันไม่ยั่งยืน ความสุขมันไม่ทรงตัวตลอดการตลอดสมัยความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ดับไปความสุขที่ทุกคนสแสวงหาจึงเต็มไปด้ยกรรมที่เกิดขึ้นจากทันหาอันมาจากความโง่ที่ไม่รู้จักคาว่าทุกข์ถ้าเธอรู้ว่ามันเป็นทุกข์เธอคงไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีก ถ้าเธอรู้ว่าการแมน้นการทำบุญก็ยังเป็นทุกข์เธอคงไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าเธอรู้ว่าการเข้าสมาธิหรือเจริญสมาบัติทำจิตให้สงบสงัดปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าประการแล้วเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสแสวงหาเพียงเท่านี้มันเป็นทุกข์เธอคงไม่ปรารถนาจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเธอคงไม่รู้ว่า ความรักมันนำมาซึ่งความทุกข์มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะรักตัวเองนี่แหละทุกข์มากรักคนอื่นนะมันมีอยู่แต่จริงๆแล้วเรารักตัวเองมากกว่าถามว่าเพราะอะไรจรึงเป็นทุกข์ก็การที่เรามีร่างกาย เราก็ต้องรักตัวเราสแสวงหาคนที่รักเพื่อมีคนรักเราไม่มีลูกก็ต้องการได้ลูกมาตนเองไม่มีก็ต้องไปขอลูกของคนอื่นมาไม่มีพ่อมีแม่ก็ต้องการได้พ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมไม่มีที่มีน้องไม่มีญาติก็ต้องไปหาเพื่อนหาคูงเพื่อเป็นที่รักไม่มีทรัพย์ ก็ต้องไปทำงานหาไม่ได้ก็ต้องขโมยไม่มีอาหารการบริโภคก็ต้องทำลายคนทำลายสัตว์ไม่มีเครื่องนุ่มหมก็ต้องไปสแสวงหาจากสิ่งอื่นๆจากหนังตัดบ้างจากพืชบ้างความรักตัวเองแบบนี้มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ ความรักมันยังไม่ทุกมากอย่างที่พูดมามันยังมีทุกมากกว่านี้อีกเพียงเธอต้องการรักความสงบเธอต้องการความรักของเธอไม่ต้องให้ไปกระทบความทุกข์ของคนอื่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าเธอไม่ต้องการให้คนใกล้ตัวของเธอมีความรู้สึกเป็นทุกข์เพราะตัวเธอ เธอไม่ต้องการให้เขาคิดมากเธอไม่ต้องการให้เขาเข้าใจผิดเธอไม่ต้องการให้เขามาเศร้าใจกับตัวของเราที่เรามีนทุกข์การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการมีกาย ม, มีร่างกายอย่างนี้ ล้วนแล้วแต่สรรหาสแสวงหาความสุขอันไม่แท้จริงมันเต็ ม, มไปด้วยความทุกข์ทั้งปวงไม่มีที่สิ้นสุดพบธาตจริงเกิดการเกิดของเราจรึงเป็นการเวียนว่ายส้เกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นจะ ด, ดูภาพเอาเถอะเธอไม่ได้เกิดเพราะเหตุอะไรเลย แต่เป็นการเกิดของเธอเพราต้องการความสุขโดยแท้ใช่ไหมลนะ่ะเธอที่รนเพื่อสแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวไม่ว่าทําการเกิดเป็นมนุษย์เธอต้องการเป็นพบคนที่เธอรักบ้างเธอต้องการเอาบุญเพื่อจะได้เป็นเทวดานางฟ้าจะได้มีบุญวาสนาบา ร, รมีเหมือนกับองค์อื่นเขาบ้างเธอต้องการมีปัญญามากๆเธอต้องการเป็นคนเก่ง และต้องการอยากจะเป็นพระราชาอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนสวยนั่นเพราะเธอต้องการความสุขสุขไหมแต่เธอไม่สามารถหาความสุขได้โดยแท้มันจะเกิดความชยานยาเขาได้วัดตังหาไม่มีสิ้นสุดตาบใดที่ตังหามันยังไม่สินสส้นสุดสิ้นสุดของมันเธอไม่พบความสุขโดยแท้ เพอยพอจะรู้จักทุกข์แล้วใช่ไหมมันยังมีอีกเยอะถ้าพูดวันนี้ก็ไม่จบแค่เรื่องทุกเรื่นเดียวเฉพาะเรื่องรักวันนี้ก็ไม่จบความทุกข์ยังมีอีกต้องเยอะแยะมากมายเธอ๋ยเราไปขุดคุยเะลองเอาเหตุเอาผลเพียงแค่ว่ามีใครบ้างหนาะชอบความทุกข์ มีใครบ้างเนอะปฏิเสธไม่ต้องการความสุขมีมนุษย์คนใดมีสัตว์คนใดมีเทวดานางฟ้าองค์ใดมีพระองค์ใดที่ยังไม่ถึงนิพพานไม่ต้องการความสุขมีไหมแม้แต่สัตว์เลระชานเปรตอสุรกายก็ยังเรียกร้องหาความสุขจะลองมองดูเขาสิเปรตเนี่ยยังต้อง พยายามพยุมตัวขึ้นมาร้องขอให้ช่วยฉันชีช่วยฉัในให้พ้นจากความทุกข์นี้เสียทีบางที่บางหลุมหรือบางขุมก็มีบริวารของขุมบริวารของขุมบางขุมก็แสดงอาการเป็นสุขในเบื้องต้นสัตว์นรกไม่เห็นน้าใสก็ดีใจสัตว์นรกไม่เห็นต้นไม้มีผลไม้ ก็ดีใจจัดนรกเมื่อมันไม่ไม่เห็นไฟก็สบายใจจัดนรกไม่ต้องเห็นอาวุธที่เข้ามาทิ้บแทงก็มีความสุขใจแต่เป็นความสุขที่มันจอมปลอมปลอมประเดี๋ยวประเดาพอวิ่งเข้าไปหาต้นไม้ที่มีผ ล, ลไม้มันกลับกลายเป็นอาวุธเมื่อเห็นน้ําอันใสสะอาดเย็นสบายน่าชื่นใจกลับกลายเป็นน้ํากด อย่างนี้เป็นต้นทุกดมจิตไม่มีใครแสวงหาความสุขเลยเธอทุกคนจงมองดูเธอจะไปเกลียดเอากับใครคเธอจะคิดว่าคนเหล่านี้ดีกับเราตรงไห น, นเธอจะคิดแม้แต่สัตว์จะรด้านเลวกว่าเราตรงไหนเราไปเสมอกับใครที่ไหน นเมว่าทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขเท่าเทียมกันเท่าที่เขาคิดได้เท่าที่เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นสุขของเขาการกระทาจะเกิดขึ้นอันเป็นกรรมจะเป็นทั้งดีจะเป็นทั้งเลวก้อนล้นลวนแล้วแต่เป็นความตั้งใจเพื่อต้องการความสุขทั้งสิน้นคาว่าเกลียดคาว่ า, ากโกรธ คำว่าขัดเครืองจิงไม่คนมีแก่บุคคลผู้รู้จริงผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกคนสแสวงหาเพียงเท่านี้ตามอุปนิสัยทุกคนมีอุปนิสัยแตกต่างกันไปย่อมมีความพอใจต่างกันย่อมมีความภาบใจต่างกันย่อมแสดงถึง ร, รมอันต่างกันย่อมมีความปรารถนาตั้งแรงอธิษฐานต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกกินดีกินร้ายต่างกันเพราะผลแห่งการที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีดวงจิตดวงใดเหมือนกันแม้แต่ดวงเดียวแต่สิ่งที่เหมือนกันคือรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันไอมองดูองค์เสจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ จ, จ๊ะแล้วนึกถึงองค์ พระศาสดาทุกพระองค์มีเสน็จอมประทรมปรสมศาสดาเป็นที่สุดแล้วน้อมใจของเชนึกถึงพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านเสวยความสุขโดยส่วนเดียวที่นิพพานทันละหมดแล้วซึ่งตังหาท่านไม่ยินดีในการแสวงหาบุญอะไรเหมือนมนุษย์ทั้งหลายที่แสวงหาเอาบุญท่านไม่ยินดีแม้จะฌานสมาบัติ ท่านผู้สืไว้เพีงแค่อามณโลกท่านมีจิตไม่ติดเอากับอารมณ์ที่ต้องการส่วนตรงนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วพรท่านรู้ว่าไม่ใช่ความสุขโดยแท้จริงมันเป็นความสุขพอสมประสานกับความต้องการอันเกิดทุกข์ตลอดเวลาเพราะการเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า สำหรับเธอแล้วนับาพาดไม่ส่วนการที่ยินดีในการเจริญสมาธิหาที่สันโดษหาที่สงบสงัดหลีกเล่นตัวเองเข้าไปสู่ตาบ้างท่าบ้า ง, างสถานที่ที่เป็นสำนักประพฤติปฏิบัติบ้างนุ่มขาวห่มขาวบ้างเป็นสมณะเพศ อย่างพระบ้างอย่างชีบ้างอย่างพระบ้างเป็นดาบทบ้างเป็นฤาษีบ้างผลของการที่เข้าไปสู่ความสงบสงดัดเธอได้รับอนิสงส์ตายจากความเป็นคนเสวยความสุขที่ลดมโลกนับชาติไม่ถ้วน แต่เธอรู้ไหมว่าไอการที่ต้องเป็นสแสวงหาความสงบสงสัดมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์การต้องดิ้นรนจิตใจเพื่อสแสวงหาความสงบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจิตจะสงบ ส, สงสัดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่ต้องประคอร่างกายที่ปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวต้องเจ็บปวดเมื่อยต้องทรามานต้องจากคนที่รักต้องหลีกเล่นคนทั่วๆไป เพื่อกระหาความสงบสงัดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผู้รู้จักทุกข์จึงรู้ว่าเพราะความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดจึงเกิดกรรมกรรมส่วนนี้แหละมันจึงบรรดาให้เกิดภพชาติเมื่อภพชาติเกิดขึ้นมันก็มีอาการสัมผัส จากตาหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายและกับใจมันจะเกิดอารมณ์ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอารมณ์เฉยๆบ้างเกิดอาการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของกลับ้างสิ่งนี้เป็นของดีบ้างสิ่งนี้เป็นของเร็วบ้างแล้วมันก็เกิด อาการของความอยากได้สิ่งที่ดีไม่อยากได้สิ่งที่เลวอยากได้อารมณ์ที่เป็นสุขไม่อยากได้อารมณ์ ท, ที่เป็นทุกข์อยากได้สิ่งที่จดจาสิ่งที่ดีๆที่จาไม่ดีก็ไม่อยากจาไม่อยากได้อยากจะคิดในสิ่งที่ควรคิดคิดแล้วสบายใจไอ้คิดแล้วไม่สบายใจฟุ้งซ่านนอกดิ์นปนกนรอยก็ไม่อยากได้ความรับรู้จากตากระทบรูป หูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสก็อยากได้สิ่งที่ถูกใจอยากได้ตากระทบรลกที่สวยอยากได้ที่ยินเสียงที่เพราะอยากได้กลิ่นหอมอยากได้รสอร่อยที่ถูกปกถูกใจอยากได้สัมผัสสิ่งที่คิดว่าไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอบอุ่นสบายนุ่มไม่แข็งเกินไป อย่างนี้เป็นต้นเพราะความอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายของเธอมันไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานเพราะการเกิดพบของเธอมันเกิดขึ้นได้ไม่นานและมันก็แปรปรวนไปในท่ามกลางสุดท้ายมันก็สลายตัวไปในที่ทสุดจะดูเอาเธอแม้การเป็นมนุษย์เป็นสัดจะได้ฉนหามีตัวตนไม่ เธอมองลงไปในโลกสุสิถ้าสัประสิ่งทั้งหลายขาดซึ่งธาดไม่มีอากาศสัประสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะคนและสัตว์ต้นไม้ตายหมดถ้าในโลกมนุษนี้ขาดน้ำสัประสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต้นไม้ตายหมด เพราะขึ้นเช่อว่าที่ใดมีธาตุแปรพรวนที่นั่นย่อมหาความแน่นอนไม่ได้ก็เมื่อธาตุมันแปรพรวนตั้งอยู่ได้ไม่นานมันสลายตัวไปมันก็ต้องสลายไปพร้อมๆกันทั้งหมดที่มันเป็นตัวเกิดขึ้นเช่นต้นไม้เกิดต้นไม้ต้นไม้ก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานมีอายุมีการทรงตัวอยู่ตามธรรมชาติ บางต้นอยู่ได้นานเ ป, ป็นร้อยปีถ้าน้ํำยังดีอากาศยังมีธาตุทั้งสี่ยังประชุมตัวกันดีแต่ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานเกินไปก็ต้องเสื่อมต้องกร่อนต้องผูกไปทีละชิ้นทีละส่วนทีละทอนเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ ก, กับมนต์ดบส้นเท้ า, าจากสุมรลทั้งสี่นั่นแหละเทวดาท่านจับพยุงต้นไม้เอาไว้อย่างไร ในเมื่อลมมันพัดสิ่งมันก็ล่วงไปทีละเล็กทีละน้อยจากวันหนึ่งตรงนั้นเกิดจะไม่มีต้นไม้ที่ยังทรงเหลืออยู่ให้ใครได้เห็นอีก hẳn ใดขึ้นเชื่อว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกมีร่างกายของเราเป็นต้นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เรารักร่างกายที่เราเปลี่ยนแม้นนคนและสัตว์ต้นไม้ที่เราชอบต้นไม้ที่เราไม่ชอบ ต้นไม้ที่มีประโยชน์ต้นไม้ที่มีโทษล้วนแล้วแต่เกิดตั้งอยู่ไม่นานแล้วมันก็ดับสลายไปมันเป็นของใครหรืเปล่ามันเป็นของเราใช่ไหมมันเป็นของใครของเราที่สามารถบังคับบัญชาได้หรือไม่ไม่ได้ผู้รู้จึงไม่ยึดถืออะไรอะไรเลยว่าเป็นเราเป็นของเราจึงไม่เอาใจเป็นเกาะว่ามนุษย์ คือร่างกายอันนี้ธาตุขันธ์ประกอบด้วยรูปประกอบด้วยอารมณ์ประกอบด้วยความจาประกอบด้วยความคุ้นคิดประกอบด้วยความรู้สึกสัมผัสได้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของที่เราบังคับไม่ได้ผู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เพราะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรเลยเป็นตัวตน มีแต่ความว่างเปล่าถือเอาตัณหาเข้าไปอยากก็นันแต่จะสร้างความทุกข์โดยส่วนเดียวเพราะอยากได้อะไรอยากได้ให้รูปตรงตัวก็เป็นทุกข์เหมือนเธอมีความรักเธอก็อยากให้คนรักอยู่กับเธอคนรักไม่จากไปเธอไม่มีคนรักเธอก็ต้องแสวงหาคนรักเพราะเธออยู่ไม่ได้เพราะเธอต้องการความสุขอย่างนี้เป็นต้น ก็อาศัยจิตที่รูปคือร่างกายอารมณ์ของเธอก็แปรปรวนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสวยอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เธอก็บังคับไม่ได้เธอให้อารมณ์ที่มันสุขทรงเัว อ, อยู่ตลอดการตลอดสมัยเธอก็ทำไม่ได้เธอไม่อยากให้อารมณ์ที่มันทุกข์มันเศร้าหมองมันหงดหิดไม่ให้มันเกิด เธอก็ทำไม่ได้เธออยากให้ลมมันเฉยๆอยู่ได้ น, น, นานๆเธอก็ทำไม่ได้ก็ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่ได้ไม่นานเช่นนี้และมันก็ดับไปเช่นนี้ยึดสือเอาอะไรว่าเป็นเราเป็นของของเราพูดคิดอยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นนั่นแหละขอเรียกว่าตัณหาอันเป็นเหตุทาให้เกิดทุกข์เขาเรียกว่าสมุทยัย การเข้าถึงความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาเขาเรียกว่านิโรธะการที่เธอตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิคือมีสติมีสัมพััญญะรู้ตัวรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ก็ไม่วิ่งเข้าหามันอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เป็นทุกข์เราก็ไม่ทำ รู้ว่าทุกคนต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เราก็ไม่พยายามไปทาลายชีวิตของเขาไม่ทำลายแม้ทางกายไม่เข้าไปล่วงละเมิดทางวาจาแม้จะทางจิตใจที่จะคิดที่จะนึกเพราะผู้รู้ใจจิตมีอยู่ผู้สัมผัสใจใจถึงใจมีอยู่เขาจึงรู้ว่าเธอมีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าเขารักเธอเขารู้ใจของเธอ เขาก็เศร้าหมองไปด้วยการที่เรารู้จักคําว่าทุกคนสแสวงหาความสุขเกลียดทุกข์การที่เรามองเห็นทุกข์จากการฆ่าสัตวัดตัดชีวิตทุกข์จากการรักทรัพย์ทุกข์จากการประพฤติผิดในกางทุกข์จากการพูดปดปลดเทศทุกข์จากการดื่มสุราเมลัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือมัจ ปฏิปทามีสีแสงสตินึกมั่นอยู่อย่างนี้เป็นปกติว่าทุกคนสแสวงหาความสุขเกรียดความทุกข์ตั้งใจนึกว่าคำสอนขององค์เรียจพระจินนวรมรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าท่านดีจริงหนอยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะ ยอมรับนับถือพระธรรมเป็นสาสนะยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นสาสนาคิดก็จะไม่พยายามที่จะหนีความเป็นจริงคือทุกคนแกัตั์ล้วนแล้วต้องการความสุขเปลียดความทุกข์ทุกคนพยายามแบละหลีกหนีด้วยวิธีของตนแต่ไม่รู้ว่าไอ้วิธีที่ตนเองกำลังสร้างกรรม มันเป็นกรรมอันเลวคําว่ากรรมอันเลวก็หมายความว่ากรรมที่ยังแสวงหาความสุขเข้าตนแล้วไปเปลีป่ยนใจคนอื่นเป็นกรรมอันเลวเลวน้อยหน่อยก็คือการสร้างกรรมด้วยการผูกความรักคือการมีคู่ครองหรือเข้าสู่การคลองเรือนเลวน้อยไปนิดนึงคือการละออก เจอเรื่องการคองเรือนหมดเลวก็คือรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ทุกติ่งมาจากทุกมาจากตัณหาทุกเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุทุกทั้งปวงเกิดขึ้นเพระาะความโง่ของตัวเองที่ตั้งเกิวมาเป็นคนก็การดำเนินนมรรคปฏิปทาอ่านจริงเครื่องปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์ ที่เธอกาลังปฏิบัติกันอยู่โดยเฉพาะมโนมายจิถือว่าเป็นมรรคปฏิปทาในการปฏิบัติเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างง่ายง่ายเพราะอะไรง่ายเพราะหนึ่งเธอทำได้ความเคารพเรื่องใส่ใพระพุทธธรรมระพออริยะก่อนที่เธอจะปฏิบัติเธอก็สมาทานศีนได้ความเคารพ ตั้งใจที่จะไม่ทำาวากทั่วด้วยการละเมิดศีลแม้จะใช้เวลาที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินด้วยกำลังจิตระงับ บ, งบังคับไม่ให้อารมณ์ใจตายไปในทางที่ชั่วหันมาเอาองค์ภาวนามีนามะพัะทะเป็นต้น ดำรงอยู่อย่างนี้เพียงพอเพื่อให้สามารถคิดเห็นรู้จักทุกเป็นรู้จักว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นทุกข์รู้จักว่าการเป็นเทวดานางฟ้าก็ยังเป็นทุกข์รู้จักว่าการสวัสดีความสุขเป็นควมก็ยังเกิดขึ้นเพราะความทุกเมื่อใจมันอย่างรู้ตามความอย่างนี้ญาณอันเป็นเครื่องรู้ ก็จะเกิดชิตจุฬาจารขึ้นมาเมื่อเกิดชิตจุฬาจานยานทั้งเจ็ดประการอันมีเจโตปริยญาณคือการรู้จิตใจของคนอื่นรู้ใจของเราอันมีบุคเคนิวาสารนุสติญาณคือการสามารถรื้นนึกถึงธาตุและการก่อนได้อันมีจุดตูวประปาติญาณสามารถรู้ว่าเราเกิดมาจากไหน เราตายและจะไปไหนสามารถรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันสามารถรู้ผลเหตุแห่งการกระทาที่เรารับผลสุขทุกเพราะําอะไรเรยลวายักขากัมุตายานเป็นต้นเชื้อว่ายานทั้งแปดประการอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมีศีลเป็นพื้ น, นหรือมัทปฏิปทา อาศัยสมาธิและกำลังปัญญาเพียงแค่เวลากำหนดไม่มากนะักแต่ทำได้ความเคารพทำได้ความเรื่มใสทำได้จิตใจอันแน่วแน่ไม่ใช่ลังเลสงสัยไม่ใช่ทำเพราะอยากติดในรูปสวยเสียงเพราะกิิพร้อมรสสัมผัส รสอร่อยและสัมผัสระหว่างเพศไม่ใช่เป็นไปเพราะต้องการเยอ่อยิงโอ้โอวดพนงตนจนใครก็ติดเขาว่าก็โกรธถูกพยาบาทอาคาดไม่ใช่ทำเพื่อความฟุง้งว่าเมื่อไรเนาะเราจะเข้าถึงความดีเมื่อไรเนาะเราจะได้เห็นเมื่อไรเนาะ เราสามารถเป็นผู้สง่งสารเมื่อไรเนาะเราจรึงจะเข้าใจตามที่คนอื่นเขาเข้าใจบ้างนี่ก็ฟงต้างถ้าเสละเหตุดังกล่าวใจของเธอก็จะเข้าถึงความเป็นจิตที่อารมณ์เกิดความเป็นจิตญาณอันเป็นเครื่องรู้ ก็จะทําให้เธอรู้ในอริยสัจคือทุกเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์และเธอก็ดับทุกข์มันได้จนเธอสามารถเข้าถึงนิพพานเหมือนดังที่เธอส่งกระแสะใจของเธอเวลานี้เธอก็สามารถเข้าถึงรานิพพานด้วยได้ด้วยอารมณ์ที่เธอไม่ยินดีในรูปรูปเป็นมนุษย์รูปเป็นเทวดานางฟ้า รูปที่เป็นผมไม่เห็นว่ารูปสวยที่ไหนรูปมนุษย์ก็ไม่สวยรูปเทวดานางฟ้าก็สวยจะสวยได้ไม่นานเดียก็หมดไปรูปของผมว่าสวยก็สวยได้ไม่นานก็หมดไปความพอใจในการเป็นมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์เป็นของดีเราจะได้ความบุญเราจะได้สร้างบุญเราจะได้สร้างบา ร, รมีมันก็หมดไปการยินดีว่า พอใจการเป็นเทวดานางฟ้าก็าสบายไม่มีภาระมีสิ่งที่เสื้อกูเรา เ, เป็นสุขอย่างมากมายด้วแล้วจะเป็นความโง่ที่ไม่รู้จักทุกทั้งสิ้นขอเธอพูดตั้งใจปฏิบัติโดยเฉพาะมโนโมยยติจงภาคภูมิใจแตดว่า นี่คือหนทางมรรคปฏิปทาอันทั้งพร้อมเข้าถึงความสิ้นทุกข์ดับเชื้อพบพระนิพพานได้ง่ายที่สุดเพราะเธอสามารถจะพิสูจน์ความเป็นจริงเพื่อคลายความว่าสงสัยว่าการทำความดีให้ผลเป็นอย่างไรการทำความชั่วมีผลเป็นอย่างไรการเวียนว่ายใจเกิดเกิดพบเกิดชาติเพราะเหตุอะไร เรามีทุกข์เพราะเริ่ออะไรเราจึงสามารถเห็นทุกข์มากมายจนเข้าถึงตัวต้นเหตุของความทุกข์คือไม่รู้จักพอไม่รู้จักจบจักสิ้นยังมีความทยานอยากนั่นเราก็เข้าถึงการดับทุกข์คือไม่ต้องการแล้วซึ่งการเป็นมนุษย์ไม่ต้องการแล้วการเป็นเทวดานังป้าเป็นปกอารมณ์ใจของเธเวลานั้น ก็เข้าถึงอาราัถผลแม้จะเป็นการเข้าถึงเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจะ่อย่าลืมว่าเสร็จพ่อองค์ปสมตรงกละงจิตมีสภาพจำเมื่อเรากระทำอย่างนี้เป็นปกติให้เกิดความคุ้นเคยเกิดความสืบเนื่องต่อเนื่อง อย่างที่กล่าวว่าเพียงเช้าครั้งหนึง่งก่อนหลับครั้งหนึง่งก็ถือว่าเธอได้ทําต่อเนี่ยสร้างอารมณ์ใจให้เกิดความเข้มแข็งเด็ด เ, เดี่ยวตัดสินใจได้สติปัญญาดังที่กล่าวมาึเชือ่อว่าพระนิพพานไม่ได้ห่างจากใจเธอเลยเธอไม่ต้องไปสนใจว่าใครต้องมาพยากรว่าเธอจะถึงนิพพานไหม หากเธอไม่ละมักปฏิปทาในการปฏิบัติเธอย่อมเข้าถึงนิพพานตามความเป็นจริงอย่างแน่นอนเห็นระท่านมามากไหมสว่างมากไหมตัวของเธอดองดูอิตธิสมนักกายดูสิดองดูสิว่าสดใสสว่างมากไหม ท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอดีใจกับเธอไหมความสุขของท่านก็เพียงหวังให้เธอได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ความสุขของท่านรอเราอยู่รอพวกเธอที่ใค ร, ปร่ป่าชนะพูดว่าท่านไม่ต้องการเธอ ฉันไม่ต้องการมาคบทุกฉันต้องการที่ผ่านฉันกรอพวกเธออยู่ด้วยใจจิตใจจอ่อก็อยู่ที่เธอทุกคนนั่นแหละถ้าเธอไม่เป็นผู้ที่หลงติดมันเกินไปถ้าเธอไม่โง่งม ง, งายจนเกินไปถ้าเธอไม่ดื้อพนองตน้น หลงตนจนเกินไปินที่ว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นสมบัติของเธอได้ไม่ได้ยากเลยเธอจงตั้งใจทำวันหนึ่งเราจะมีสติสองจงเอาสตินั้นมาให้ครวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ โดยเฉพาะมโนไมย่ยธิป้าหรือบางอารมณ์ก็เอาธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งมาให้ตรวจบ้างจงทําได้ความขยันที่ขยันนึกขยันให้ครวนขยันตึงเอาพระธรรมคำสอนเอามาให้ครวญบ่อยๆขยันนึกขยันนําเอามาปฏิบัติทุกเวลาทุกอุปยาบท ทำอย่างนี้จะเกิดความปีติคําว่าปีติเอิก็หมายความว่าเข้าใจใจมันเข้าใจใจมันยอมรับใจมันเข้าใจในคำนั้นใจมันยอมรับในคำนั้นแม้ข้อคำนั้นจะเล็กน้อยก็ตามเถิดโดยเฉพาะอย่างน้อยก็ทานสี น, นี้เป็นต้น นมันเข้าไปยอมรับเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทานดีศีลดีทข็งประเสริฐเหลือเกินคิดทรงอยู่ในความอิ่มเอิบทำให้ถึงอารมณ์ตรงนี้นะถ้ามันยังไม่ถึงจงอย่าได้หยุดขยันนั่นที่กำลังทำอยู่ที่ตามมาเขาเรียกว่าสมาธิของ มันเป็นสมาธิเพียงแค่การเบื้องต้นที่ต้องกดต้องคมต้องพยายามดึงอารมณ์เข้ามาในกระแสแห่งธรรมเสมอว่าจะถึงความอิ่มเอิบ เ, เข้าใจคือเข้าใจในธรรมนั้นๆมีความชุบชื่นแม้เพียงแค่ทานแม้เพียงแค่สีก็ตามเหตุ ถ้ามันเกิดความอิ่มเอิบชุ่มชื่นเกิดความเข้าใจมันจะเริ่มเป็นสมาธิจริงไม่ใช่สมาธิปลอมเวลานั้นมันจะสงบเฉยสงบตั้งมัน่นแล้วก็เฉยอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสมาธิจริงสมาธิที่ได้จริงๆงทรงช่วอยู่ได้จริงๆและหากว่า การให้ควรของเรามันสามารถทรงอยู่ได้สืบเนื่องไม่ขาดสายเป็นสัญติติดต่อเนื่องโดยไม่ต้องบังคับเป็นอัตโนมัติคือเป็นปกติเธอก็จะเป็นผู้ทรงฌานฌานสมาธิจริงๆเป็นปกติขั้นต่ําก็ปฐมฌ า, านสําหรับผู้ที่มีความเข้าใจในศีล แจ้งในศีลไม่ขัดเคืองในศีลไม่มีความวังลังเลสงสัยในศีลรู้ว่าศีลเป็นของดีโดยแท้แล้วก็เป็นปกติไม่มีเครือบแคลงอะไรในคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะแม้นจิตจะนึกปรามาสน้อยนิดก็ไม่มีอารมณ์จะแทรกเข้ามาเพื่อปรามาสคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะก็ไม่ปรากฏ เธอจงพยากรณ์ตัวของเธอได้ว่านั่นเธอทรงทานปสมชาตเป็นปกติเป็นทานแ ท, แท้ทานแท้ที่ไม่ต้องคุมทานแท้ที่ไม่ต้องไประลึกนึกถึงมันทานที่เป็นอยู่เป็นปกติไม่ว่าเวลานั้นร่างกายของเธอจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเวลานั้นอารมณ์ของเธอจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่ว่าเวลานั้นของเธอจะมีควาจําดีความจำชั่วคิดดีหรือว่าคิดชั่วที่มันไม่เกินศีลทานแท้ๆ ท, ที่เป็นทานจริงๆก็ยังเป็นของแท้ๆไม่มีคําว่าเสื่อมจะทรงจิตเพราะมันติตอยู่ที่ไหนมันไป็จิตอยู่ในจิตอยู่ยแล้วจิตมันเป็นผู้ทรงทานเองจิตเป็นผู้สั่งงานเอง จิตเป็นผู้รู้เองเราก็เลยไม่ต้องมามีความรู้สึกว่าหนักใจจนกว่าเธอเข้าถึงที่สุดเธอรู้จักทุกทั้งหมดกับเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือตัณหาได้ทั้งสิ้นทั้งหมดหมดความโงกคืออวิชชาเธอก็จะพบฌานแท้ๆเขาเรียกว่าชานสี่มันครองอยู่ในจิตจิตจะเป็นตัวรักษาเอง จิตจะเป็นเัวปฏิบัติเองจิตจะรู้ของมันเองจิตจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับรูปที่ไม่เที่ยงจิตจะไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่เที่ยงจิตจะไม่เข้าข้องเกี่ยวกับความจาไม่เที่ยงจิตจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับความคิดที่ไม่เที่ยงจิตจะไม่เข้าข้องเกี่ยวกับการรับรู้ทางหูตาจมูกป็นกายไม่เที่ยงจิตมันจะเป็นอิสระของมันเอง มันจึงไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ผู้คนผู้ไม่มีอวิชชาเข้าเข้าหลังใจการปฏิบัติอย่างไรก็สุดแล้วอัจฉรายะใสวันนี้ถือว่าแนะนำเป็นวันสุดท้ายที่จะพูดก็พูดหมดแล้วที่ว่าจะแนะนำก็แนะนำ หมดแล้วเหลืออยู่เพียงแค่เธอตัวของเธอนำไปประพฤติปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเธอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อสอนเธอไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งนอนยืนฟังเฉยๆทำใจอ่อนน้อมไปในการแสคำํำอย่าเพิ่งไปคิดเอง อย่าเพิ่งไปดักคอเสียก่อนก่อนที่จะฟังท่านจบไม่ใช่ฟังท่านไปนิดไปหน่อยก็เปิดตะะหนึกไปคิดโน้นคิดนี้กันแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วฟังให้จบให้มันจบประโยคให้มันจบว่าให้มันจบทุกอย่างที่ท่านพูดแล้วเราจะเข้าใจที่ท่านพูดทั้งหมดแต่ถ้าเธอเอาจต่ฟังเฉพาะ เจาจงกับประโยคเพียงไม่กี่ประโยคฟังเอาที่คิดว่าเราเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ไม่ฟังต่อถือว่าเธอก็ยังเป็นคนโง่ตามได้บัดซบไม่ยังโง่ธรรมดาเนะยโง่พิเศษหน่อยนั้นการตั้งใจฟังทาเธอจงจําไว้ว่าอย่าเพิ่งเอาจิตไปค้านอย่าเพิ่งเอาจิตไปดึง เข้ามาคิดก่อนปล่อยใจให้น้อมตามกระแสะเสียงของท่านให้จบปล่อยใจน้อมตามกระแสะเสียงของท่านให้จบที่กล่าวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านให้ปัญญากับเธอเองแล้วโดยที่เธอไม่ต้องใช้ปัญญาเองขอเข้าใจไหม พ่อนั้นให้ปัญญาแก่เธอแล้วโดยที่เธอไม่ต้องหาปัญญาเองไม่ต้องนั่งหลับหูหลับตาคิดจะนาวเองท่านให้เธอหมดแล้วในขณะที่ท่านพูดนั่นแหละเท่ากับว่าเธอนอนกินอย่างเดียวนั่นนั่งกินอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเคี้ยวๆแล้วก็กลืนไม่ต้องป็นึกว่ามันทำมาจากไหนไม่ต้องมานึกว่ามันใสอะไรไม่ต้องมานั่งสนใจสิ่งเหล่านี้ พ่อเป็นผู้ที่มีความรักรู้ว่าลูกของท่านโง่ทัดแม่แต่เปล่าเราถ้ารู้ว่าลูกของท่านฉลาดเกินไปทั้งหากผิดอีกคนพูดพูดผิดอีกเอาไงดีเอาว่าโง่ขึ้นฉลาดขึ้นกันแล้วกันนะเอ่อเพราะการชิงทาง ขอให้เธอกลับไปคิดพิจารณาเอานะอีกวันสองวันเธอก็หมดเขียดผุดมพรุ่งนี้ก็ไปฟังตรงนุ้ดอาจจะได้ฟังที่นันสอนก็ได้หรือที่อาจารก็ได้อาจารยงไม่มาอย่าขัดจังหวะพวกเธอเดี๋ยวฉันมาตรงนี้ก็คงว่างเปล่านะเอาเป็นว่าไม่มากันแล้วกัน แตะขอให้เจอทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติจริงปพืชช่อขอยส่งความปัฒถนานะทําใดที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําใดที่รพระเดชรคุณหลวงพ่อพระอรหันต์ทั้งหลายเข้าถึงแล้วก็ขอให้มรรคผลจงสถิตปรากฏในจิตของเธอเร็วที่สุดง่ายที่สุด เข้าถึงใจของเธอได้ทุกขณะไม่ว่าเธอจะก้าวเทาว้าหรือระหว่างก้าวเทาว้าหรือระหว่างยกเทา้าหรือระหว่างจะล้มตัวนอนนอนไปแล้วระหว่างลุกนั่งหรือกําลังจะนั่งระหว่างลุกจะเดินหรือกําลังจะเดินทุกอิริยาบถแม้ลมหายใจเข้ายังไม่ทันจะออกขอยมัดผลแห่งความเข้าถึงความสิ้นทุกยังได้ เข้าสู่ใจของเธอเมื่อเข้าถึงแล้วก็จงทรงตัวอยู่ตลอดเวลาจงอย่าได้เสื่อมจงอย่าได้สลายจงดำเดนินเรื่องเรื่อ ง, อง ต, อต่อไปจนถึงอรหัตผลเป็นอริยบุคคลท่านสูงเข้าถึงนิพพานได้โดยง่ายในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดแม้บุคคลใดผู้ทรงความเป็นโด พระโพธิสัตว์ขอให้บุคคลเหล่านั้นจงเป็นผู้รู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ในบารมีทั้งสามสิบัชขอกำลังใจของพระโพธิสัตว์จงเข้มแข็งํำเนินเพื่อลื้อยกผลสัตว์เข้าสู่นิพพานมากเสีมากจงได้เสเร็จแห่งพระโพธิญาณในอนาคตการตามความปรารถนาได้เดิน สาวทุกเนี่ยตัวพ่อบริษัทนั่นนั่นเลยนะเนี่ยใช่เปล่าเยอะแค่วิ่งไงไทยไม่ใช่ภาษาด้วยก่อนนะไม่เอาดิมองแล้วเนี่ยแบบสองมันมันเลยเวลามัน